ก็ขอจเจริญพรตามเวลาสิบโมงสิบโมงตรงหลวงพ่อก็เข้ามาก่อนเพื่อนเลยเพราะหลวงพ่อเป็นคนเปิดห้องเมื่อเช้าเมื่อเช้าหลวงพ่อเปิดเสียงสนทนากันนะเมื่อวานตอนตอนค่ำก็เปิดไปได้พักหนึ่ง ก็เห็นมีโยมสองสามคนมั้งไปครับไปฟังแต่พอตอนท้ายหลวงพ่อไปกดผิดกดผิดมันก็หลุดพอหลุดเสร็จเอา้ากลับเข้าไปไม่ได้ทำไม่เป็นก็เลยหลุดแล้วหลุดเลยก็เล ย, เยก็ผ่านไปความยาวมันประมาณกี่ตอนนะอ่าตอนหรอยห้าสิบนาที ไม่ใช่ดิสองชั่วโมงกว่าเนี่ยทีนี้ตั้งจากตอนนี้จัดจัดคับบ่อยเนาะแล้วก็มีการบันทึกเสียงทุกครั้งทีนี้ก็อย่างว่าเนาะแค่เราเข้ามาคุยกันแต่ละครั้งมันก็ใช้เวลาเยอะอยู่แล้วทีนี้พอจะกลับไปฟังซ้ำเนี่ยมันก็คงอาจจะไม่ค่อยมีเวลากันนะแต่ว่าถ้าใครฟังซ้ำได้ก็ ก, ก็ดีนะ เพราะว่าตอนฟังครั้งแรกอาจจะตามไม่ทันนะแต่พอฟังซ้ำมันตามทันแล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นแต่ทีนี้ถ้าถ้ายโยมนะฟังยอ้อนหลังที่ที่ส่งทางครับเ้าเนี่ยถ้าฟังไม่ได้ฟังไม่ทันไม่มีเราฟังเนี่ยโยมก็ควรที่จะเข้าไปใน ห้องห้องุองมรายหลวงพ่อนะมันชื่อห้องว่าสู่เชื่อห้องว่าสู่ความทุกข์ในปัจจุบันประมาณนี้แล้วยมก็สามารถที่พอเห็นท่าโชว์ให้เห็นไอคิวอาโค้ดอะยมก็สแกนไปก็สามารถเข้ากลุ่มได้ทีนี้วันนี้เนี่ย แต่ไม่ได้ไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติมันก็มันก็ได้แค่ฟังอะนะมันมันจะไม่ไม่เข้าใจลึกซึ้งอะไรปฏิบัติร่วมกันเนี่ยมันก็จะเห็นรู้จักสภาวะที่มันเกิดขึ้นในในกายในใจเราเนี่ยสภาวะต่างต่างมีมากมายนับชื่อไม่ถูกนะทั้งที่รู้จักชื่อทั้งที่ไม่รู้จักชื่อมันก็ผุดขึ้นมาในกายในใจนี่แหละ ทีนี้เราก็ฝึกรู้ก็คือฝึกให้มีตัวรู้รู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็กจะรู้จะเห็นนะก็สามารถที่จะเห็นตามความเป็นจริงได้แนวทางการฝึกสติหรือว่าฝึกให้รู้เนี่ยเรือว่าตื่นรู้นี่นะแนวที่หลวงพ่อแนะนำเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าแบบปิดตาหรือว่าทําสมาธิลึก เพราะว่าอันนี้เป็นการตื่นรู้ปัจจุบันคื อ, อสามารถรู้ได้โดยที่ว่าเหมือนกับว่าไม่ต้องไม่ต้องทำสมาธิหรือครับหลวงพ่อยกตัวอย่างเนี่ยสมมติว่าเริ่มต้นบอกว่าเอายมนั่งให้ตัวตรงปุ๊บพอบอกแค่นี้มันรู้เลยว่าเออตอนนี้นั่งตัวตรงนั่งแล้วเออนั่งแล้วมันรู้เลยพอหลวงพ่อบอกว่าอา้อาวอะไรนะ หมายถึงว่าทําร่างกายให้มันไหวหๆคือโครงกายอะ่ะโครงกายคือเอนั่งบิดตัวนั่งโยกอะ่ะเออนั่งโยกนั่งโยกตัวพอเราบอกเอาโยมทุกคนโยกตัวนี่แล้วพอโยมโยกปั๊บเนี่ยมันรู้เลยอะ่ะมันไม่ต้องเข้าสมาธิลึกอะไรเลยมันรู้เลยว่าอ๋อนเนี่ยรู้แล้วว่าโยกอยู่อ่ะรู้ว่ากายเคลื่อนไหวเนี่ยรู้เลยแล้วก็ถ้าสมมติเราโยกตัวนานๆเนาะเราโยกตัวนานๆเนี่ย มันก็ยังรู้อยู่แหละถ้าใจไม่ลอยมันก็ยังรู้อยู่ว่าเนี่ยยังโยกอยู่นรู้เบาๆอย่างนี้แหละคือรู้ว่าโยกร่างกายเป็นตัวเคลื่อนตัวโยกแล้วก็จิตก็ทําหน้าที่รู้มันก็รู้ไปเลยพร้อมๆกันคือโยกกับรู้คือพร้อมกันเลยแล้วก็เราก็ฝึกอย่างนี้เห็นไหมไม่ต้องทำสมาธิลึอกอะไรทีนี้ถ้าเราทําต่อเนื่อง น, น, นานๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีอาการอื่นเกิดมาให้รู้อีกเช่นอาจจะรู้สึกว่า สบายเนื้อสบายตัวจากที่มันเมื่อย เ, เนาะจากที่มันตึงจากการทํางาน mm. สมมติเนะพอโยกนานๆเอาให้ความสบายตัวมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ก็รู้อีกรู้ว่าอ๋อมันสบายตัวโยมดูสิว่าเราต้องทําสมาธิเพื่อให้รู้ไมหมล่ะมันไม่ต้องอืมแล้วก็กโยกไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยโยกบางทีมันพอโยกนานนามันอาจจะเมื่อยนะเออมันอาจจะเหนื่อยกับเมื่อยก็รู้อีกว่าอืมรู้สึกเมื่อยแล้วไม่ค่อยสบายแล้วอยากพักแล้ว แล้วก็เราก็หยุดโยกพอหยุดโยกเสร็จแล้วมันก็เห็นว่าอ๋อนิ่งแล้ว่าจาก<ว>เคลื่อนไหวเนาะกลายเป็นหยุดนิ่งก็รู้อีกว่าหยุดนิ่งแล้วแล้วก็ถ้าหยุดนิ่งนานๆก็คือให้รู้ว่าตอนเนี้ยังไม่โยกมันหยุดนิ่งอยู่อแล้วพอหยุดนิ่งต่อไปอีกรู้สึกว่ามันเมื่อยอีกแล้วมันเมื่อยมันอยากจะขยับอีกแล้วเนี่ยก็รู้ถึงความเมื่อยนะแล้วก็พอขยับโยกใหม่มันก็รู้อีกว่าโยกอีกแล้ว โยกอีกแล้วแล้วก็ความเมื่อยเมื่อกี้ที่นั่งนานๆมันเมื่อยแล้วตอนนี้พายโยกรู้สึกมันสบายอีกแล้วเนี่ยคือยมปึกรู้ก็คือรู้อย่างเนี้ยแล้วไม่ต้องปิดตามันก็รู้ได้อะปิดตามันมีข้อเสียคือถ้าถ้าเรานั่งปิดตาเนี่ยมันจะเกิดความง่วงเกิดความสบายเกินพอมันสบายเกินเนี่ยมันมันจิตมันมันไม่ได้ทำงานเนี่ยมันจะพักมันจะพักการรับรู้นะแล้วสุดท้ายก็คือหลับไปเลยไม่รู้อะไร นั้นต้องต้องฝึกกับการลืมตาเพื่อป้องกันไม่ให้มันเคลิ้มกับเออมันถูกความสบายดูดไปนะก็ลืมตามองงื่นมอ ง, มอ ง, มอ ง, มองนี่แล้วก็โยกตัวไปทาไปอย่างี้ก็ทาให้เกิดการตื่นรู้คาว่าตื่นรู้คือจิตไม่หลับจิตตื่นรับรู้นะมันรับรู้ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจนะมันตื่นรู้แต่ถ้าไม่ตื่นรู้มันจะตรงกันข้ามกันเนาะไม่ตื่นรู้คือมันหลับพอหลับแล้วคือ มันไม่รู้อะไรเหมือนหลับจริงๆอ่ะโยมนึกออกนะเวลาหลับจริงๆอ่ะมันไม่รู้อะไรอย่างเนี้ก็เรียกว่าจิตหลับแต่ถ้ามันตื่นรู้คือมันรับรู้รับรู้ในตัวตัวเองอ่ะในกายในใจรับรู้รับรู้อย่างที่หลวงพ่อยกตัวอย่างประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าคึอให้จิตตื่นรู้ก็เนี่ยก็คือเอาใช้กายเคลื่อนไหวแล้วก็ตื่นรู้อยู่ต่ นี่ถ้ามีซูมนะเดี๋ยววันไหนหลวงพ่อยังคิดคิดอยู่ว่าทํำยังไงเพราะเราที่คุ้นเคยนะหรือไม่คุ้นเคยก็ตามนัดพร้อมกันว่าวันไหนเวลาไหนยังไงแล้วก็มาเปิดโซมเมนหน้ากันแล้วก็มาฝึกคือให้มันเห็นกันด้วยไงว่าเออตอนนี้นะกำลังฝึกเช่นหลวงพ่อบอกว่ากำลังฝึกรู้กายเคลื่อนไหวทุกคนทําอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมหลวงพ่อก็มีกํามองเห็นมีมอนิเตอร์ที่จะตามมองเห็นได้ว่าเ อ, อแต่ละคนทํากันอย่างนั้น ของพ่อก็จะชี้แนะอขั้นตอนต่อไปไปเรื่อยๆแล้วก็อันนี้คืออุบายในการตื่นรู้นะ่ะมันมีเยอะมากอ่ะโยมมีเยอะมากเคยจะเอาเอาจะเอาส่วนไหนของร่างกายถึงว่าส่วนของร่างกายกายเคลื่อนไหวใจรู้นี่นะจะเอาส่วนไหนมาฝึกก็ได้ให้ฝึกรู้ทีละอย่างนั่นแหละมันมีถ้าใครเคยได้ยินนะมันมีอาจารย์กำพลเนี่ยซึ่งตอนนั้นเป็นเป็นคาราวาก เป็นผู้ที่ประสบอุบัติเหตุสอนว่ายน้ำเนี่ยแล้วก็ขณะที่โยมเขาสอนว่ายน้ำเนี่ยมันพลาดคือหัวมันไปหมองพื้นพื้นไอ้ก้นสะเนี่ยจนกระทั่งคอหักใช่ไหมแล้วก็เส้นระบบประสาทมันมันสะเทือนหรือมันฉีกขาดยังไงไม่รู้ก็กลายเป็นอมัมพาตตั้งแต่ตอนเกิดอุบัติเหตุอะ่ะอายุก็ยี่สิงแต่เมืนนั้นอายุยังน้อยเป็นหนุ่ม แล้วก็เป็นครูสอนท่านละพอเกิดอุบัตเทศก็อย่างว่าคนมันก็ต้องทุกข์สิเนาะจากเดิมมันร่างกายมันสมบูรณ์แข็งแรงพอเกิดอุบัติเหตุเสร็จมันก็กลุ้มก็เป็นทุกข์อยากฆ่าตัวตายอยากล้นอยากหนี้ทุกข์มาหลายปีนะทีนี้พอดีว่าพ่อพ่อแม่เขาก็เออพอที่จะคือพ่อแม่ก็คนสนใจธรรมะอยู่แล้วเนาะได้ฝึกได้อ่านแล้วก็แนะนําให้ จันกําพลได้เรียนได้อ่านท่านก็อ่านอ่านเยอะมากเลยแต่สุดท้ายมันก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้จนกระทั่งต่อมาเนี่ยก็คงจะได้ยินถึงหลวงพ่อคําเขียนแหละอันนี้หลวงพ่อก็เล่ารวดรัดนะหลวงพ่อคําเขียนสอนเรื่องรู้สึกตัวเนาะแล้วก็จันกําพลก็เขียนจดหมายมาถามว่าตัวเปงเป็นอมภพฤษอย่างเนี้ยเดินก็ไม่ได้ยกมือก็ไม่ได้คืออิริยาบถ มันเคลื่อนไหวไม่ได้ไงเป็นน้ำมืพืชไปหมดแล้วจะฝึกสติได้ไหมหลวงพ่อ ก, กำกับเขียนก็บอกฝึกได้ก็เอากายส่วนไหนที่มันเคลื่อนไหวได้ก็เอามาฝึกเนาะเช่นการการกับพิษตาการอ้าปากนะการกลืนน้ําลายอย่างเงี้ยก็ฝึกรู้ไปก็หมายถึงว่าเกินน้ําลายก็รู้เนี่ยก็เลินไปแล้วก็อยู่เงี้ย เอารู้ก็เล่นเล่นไปก็รู้ไปหรือว่าการอ้าปากเคี้ยวอาหารเนี่ยมันต้องเคี้ยวมันเคลื่อนไหวยอยู่แล้วนักปากขยักนั้นเวลากินเวลาเคี้ยก็ <erreicht. S 2> ก็รู้ฝึกรู้ไปเออว่ามันเคี้ยวคือแต่เดิมเนี่ยมันเคี้ยวอยู่แล้วแต่ไม่รู้แต่เดิมมันกระพริบตาอยู่แล้วไม่รู้แต่เดิมอ้าปากอยู่แล้วไม่รู้ก็เลยมาฝึกรู้กับสิ่งที่มีอยู่แล้ว อาจารย์กำพลก็ฝึกฝึกฝึกจนกระทั่งว่ามันก็พัฒนาทางจิตมาเรื่อยๆนะกลายเป็นความรู้สึกตัวเป็นกลายเคลื่อนไหวก็รู้สึกกลายเคลื่อนไหวก็รู้สึกต่อมาก็พัฒนาทางจิตก็สามารถที่จะรู้อารมณ์รู้อาการต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตได้เช่นมันสงบมันไม่สงบมันมีความสุขมันไม่มีความสุขหรือมันคงสร้นจิตรู่เนี่ ย, ยก็จะตื่นรับรู้ถึง อาการที่เกิดขึ้นก็พัฒนาไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าอาจารย์กัพลท่านก็มีความเพียรมากอยู่กับที่อยู่ติดเตียงน่ะเนาะฝึมันฝึกมากกว่าคนที่ร่างกายสมบูรณ์อีกด้วยซ้ํามึงเพราะว่าคนร่างกายที่สมบูรณ์เนาะ ก, ก็สงก่งจิตออกนอกไปเที่ยวไปนูนป่นไปนี่เดินไปนั่งไปแต่อาจารย์กัมพลติดเตียงก็เลยมีเวลาฝึกแล้วก็มีความเพียรมากจนกระทั่งเกิดสติปัญญาแล้วก็สอนผู้คนน่ะ ถ้ายมรู้ประวัตินะหัวจางกำพลเนี่ยดังมากเลยในการสอนธรรมะเป็นผู้พิการแต่สอนธรรมะด้วยด้วยด้วยปัญญาเป็นประสบการณ์คงไม่ได้มาสอนแบบคิดเอาอ่ะคือท่านประสบการณ์โดยตรงอ่ะรู้จักทุกข์รู้จกั ก, จกความพ้นทุกข์แล้วอ่ะก็พูดได้อย่างราเริงแจ่มใสนะเพราะนั้นนี่แหละก็คือเรื่องของการฝึกการฝึกสติหรือว่าฝึกให้จิตตื่นรู้ ก็ต้องฝึกในแนวแนวที่หลวงพ่อรักอหลวงพ่อบอกนี่แหลนะเนาะแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธแนวอื่นนะเพราะว่าอุบายวิธีมันเยอะยิ่งสติปัฏฐานสูตรจริงๆอเ น, นี่ยแท้ที่หลวงพ่อพูดมาเนี่ยเขาเรียกว่าฝึกตามแนวสติปัฏฐานตามหลักสติปัฏฐานสูตรเลยนะแต่ว่าที่หลวงพ่อพูดมาเมื่อกี้คือเน้นเรื่องกายเคลื่อนไหวแต่ทีนี้ถ้าต่อไปมันก็คงพัฒนาหละรู้จิตรู้จิตก็คือรู้ถึง สิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตเนาะเช่นโทสะคือความความโกรธความอะไรเนี่ยก็เริ่มรับรู้โทสะโมหะโลภะที่เกิดขึ้นในจิตอะความอยากได้อยากมีเนี่ยมันก็าปรากฏแล้วก็มีสติเห็นอยู่ก็มีสติเห็นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝึกอย่างเนี้ยฝึกจนกระทั่งว่าเห็นว่าอะไรเกิดก็ดับไปอะไรเกิดก็ดับไปก็จะเข้าใจได้ว่าทุกอย่างมีความแปรปรวนนะ ไม่ว่าร่างกายก็ดีมันก็มีความแปรปวนไม่คงที่จิตใจก็แปรปวนไม่คงที่สลับกันอยู่เรื่อยเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวเสง็งก็เห็นความเป็นไปของกายของจิตว่ามันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์มันก็ไม่ใช่ตัวตนเนี่ยพอรูวว้ว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันไม่มันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงอย่างนี้ยมันก็ถอดถอนความเห็นผิดว่าเมื่อก่อนเห็นผิดว่ากายเป็นเรานะจิตใจความรู้สึกนึกคิดเป็นเรา แต่เมื่อมีสติสติก็เป็นผู้ดูผู้เห็นแยกออกมาเหมือนกับว่ามันมันมันหลุดออกมาจากอาการไงหลุดมาเป็นมาเป็นผู้ดูผู้รู้ก็เลยรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันไม่ใช่สติสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่จิตมันเป็นอาการที่จิตไปรู้เข้านะแล้วก็สุดท้ายจิตเนี้ยมันก็มีปัญญามากมันก็ไม่ยึดถือกายนะแล้วก็ไม่ยึดถืออาการต่างต่างที่จิตไปรู้ ไม่ยึดถือแล้วเพราะว่ามันรู้ว่าเป็นคนละพวกกันนะพวกถูกรู้กับผู้รู้จิตผู้รู้แต่อันนั้นเป็นพวกถูกรู้มันเป็นคนละพวกพอเป็นคนละพวกเสร็จมันรู้รู้โทษรู้ว่าถ้ายึดเป็นตัวตัวตัวจิตมันจะเป็นทุกข์มันก็สลัดออกคือไม่ยึดแต่สิ่งนั้นมีอยู่แต่ก็ไม่ยึดก็คือได้แต่รู้ได้แต่ดูอดา่าไม่ยึดก็ความไม่ยึดเนี่ยก็หลุดพ้นไปเปลาหนึ่งแล้วว่าอ๋อ พวกนั้นนะมีอยู่แต่ไม่ยึดแล้วก็ไม่รังเกียดด้วยนะมันเกิดขึ้นเช่นความเจ็บความปวดปวด่วยอะไรเนี่ยเกิดขึ้นแต่จิตนี้ก็รู้อย่างตลางกลางคือไม่รังเกียจเพราะว่ามันรู้ว่าก็แล้วแต่มันมันจะปวดจะเจ็บก็เป็นเรื่องของมันเนาะไม่ใช่เรื่องของจิตก็จนกระทั่งจิตมันก็แจ่มแจ้งในในทุกข์แต่ต่อ ม, มันก็ต้องพัฒนาอีกพัฒนาจิตรู้เนี่ยพัฒนาสติเนี่ยว่า จิตร <Alleg aba. S 1> ู้หรือตัวสติมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันคือตัวมันเองก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเกิดดับเหมือนกันนตัวมันเองก็ไม่เที่ยงเกิดดับเหมือนกันทีนี้พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็รู้ว่าเอ้าทุกอย่างมันมันเป็นอย่างนี้ไปหมดแล้วนี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดเลยตกลงมันก็ไม่มีใครแล้วนี่พ้นไปจากเนี้ไม่มีใครแล้วก็พอไม่มีใครมันก็จะรู้เลยว่าทุกอย่างก็ว่างเปล่าคือว่างจากตัวตนนะว่างจากความยึดมั่นถึงมั่น มันก็เป็นความพ้นไปอแต่จุดตรงเนี้มันมีอยู่นะไอ้ตรงที่เห็นว่าไอ้จิตเนี้ยไม่เที่ยงอะ่ะไอจ้จิตจิตรู้เนี่ยไอ้จิตสติเนี่ยที่มันไม่เที่ยงเนี่ยมันก็มีอีกรู้อีกชั้นหนึ่งอ่าว่ามารู้ว่าไอ้จิตเนี้ยก็เป็นสังขารไม่เที่ยงแต่จิตที่รู้อันหลังเนี่ยเป็นจิตที่ไม่ปุงจิตที่หลุดพ้นแล้วอ่าหลุดพน้นหลุดพน้นจากจากจิตที่ปุงแต่ง อ่อจิตที่หลุดพ้นนะจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะก็เลยไม่ค้องเกี่ยวกับกับกับไม่ข้องเกี่ยวกับอะไรไม่ข้องเกี่ยวกับเ อ, อ่กายไม่ค้องเกี่ยวกับจิตจิตดวงก่อนนะไม่ค้องเกี่ยวมันก็เลยหลุดไปพอหลุดไปเสร็จตรงนี้จึงรู้ว่าจบแล้วจบแล้วคือจบการเรียนรู้แล้วเพราะมันก็มีแค่นั้นแหละแล้วก็รู้ว่าพ้นทุกข์แล้วรู้ว่าหลุดพ้นแล้วมันก็เออมันก็จบไปตรงนั้น ทีนี้แนวะที่หลวงพ่อคุยอ่ะคือหลวงพ่อก็เน้นเรื่องเรื่องเรื่องรู้นี่แหละนะเรื่องรู้ก็คือมาหัดรู้หัดรู้โดยวิธีใช้อุบายอย่างที่ที่ผ่านมาสองสามวันเนี่ยก็ใช้อุบายแบบนี้หัดรู้หัดรู้เพื่อจะให้เข้าถึงแบบข้ามขั้นไปเลยว่าไอไอไอที่รู้อ่ะไอที่รู้เราอ่ะไอเนี้ยคือมันมันข้ามไปเลยเหมายความว่าไอเราทั้งตัวเนี่ยเป็นทั้ง ในตัวเราเนาะเป็นทั้งสิ่งถูกรู้แล้วก็เป็นทั้งผู้รู้ในตัวเราเนี่ยนะทีนี้พอมีอีกสิ่งหนึ่งมารู้เราเท่ากับ ว, ว่าข้ามหมดสองตัวเลยอ่าหลวงพ่อก็ยกตัวอย่างใหม่เช่นนะมันข้ามยังไง <S <S เช่นแต่ว่าเอาตัวเรายืนอยู่แล้วก็มองไปที่ผนัง<ๆ>ใช่ไหมอันดับแรกสิ่งถูกรู้คือผนังอันดับที่สองคือเราที่เป็นผู้เห็นหรือเป็นผู้รู้เราเนี่ยเป็นผู้รู้ผนัง เห็นไหมตรงนี้มันยัง ม, มีสองคือสิ่งถูกรู้คือผนังและตัวเราเป็นผู้รู้แต่พอมีอีกอีกระดับหนึ่งก็จะมีอีกสิ่งหนึ่งที่รู้ตัวเราเห็นไหมรู้ตัวเราที่เป็นผู้รู้สุดท้ายสิ่งนั้นแหละมันก็ได้แต่รู้ตัวเราและมันรู้ว่าตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งเกิดดับเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ตายเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเนานะเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ไอ้สิ่งที่มารู้ตัวเรามันก็มันไม่ยึดไม่ถือไงมันก็จึงเป็นความหลุดพ้นจากตัวเรา ตัวเราก็เป็นของตายของเน่าเปื่อยอ่าแต่ธรรมชาติรู้นั้นมันไม่ได้เน่าไม่ได้เปื่อยด้วยแล้วมันก็หลุดพ้นไปเลยี่คือหลวงพ่อเอาเหมือนกับว่าถ้าใครมีปัญญาก็มาฝึกรู้เราไปเลยถ้าฝึกรู้เราเป็นเนี่ยถ้ากับว่าหลุดหมดแต่ส่วนมากมันก็ยังยากอยู่แต่บางคนทําเป็นแล้วเมื่อทําเป็นแล้วก็ก็ฝึกรู้เราไปเรื่อยนะจะเดินจะนั่งก็รู้เราแั้วแหละว่าเออไอตัวเราเนี่ยไอตัวปลอมเนี่ยไอตัวตายเนี่ย มันเดินหรือมันนั่งมันนอนก็รู้ไปเรื่อยรู้รู้จนกระทั่งเรารู้แจ้งรู้แจ้งรู้ชัดเจนรู้แจวรู้ชัดไปเลยแล้วไม่หลงกลับมายึดถือตัวเราอีกแล้วตัวเราก็ดำเนินชีวิตไปปกติตัวเราก็เนี่ยยังยังทำงานเนาะยังหิวยังอาบน้ำตัวเราตัวปอมเนี่ยยังทำเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ธรรมชาติที่รู้เราอะ่ะมันมันไม่ได้ทำอะไรแต่มันรู้ว่าเราทาอะไร มันรู้เราหมดอย่างตอนนี้สมมติถ้ า, ถ, าถ้าใครทำเป็นแล้วเนี่ยนะหลวงพ่อก็บอกว่าอลองดูที่ว่าตัวเราเนี่ยลองดูตัวเราก็หมายถึงว่าตัวเรานั่งตัวเรานอนเนี่ยมันก็รู้ได้แต่บางคนก็ยังติดว่าเรารู้เรารู้เนี่ยตรงนี้ก็ต้องต้องค่อยๆค่อยๆเราแต่ถ้าคนเข้าใจแล้วเนี่ยก็จะรู้เลยว่าไม่ใช่เรารู้ตัวเราแต่ไม่รู้อะไรมารู้ตัวเราประมาณนี้นะ ก็เท่าที่ฟังก็บางคนในเนี่ยในกลุ่มกลุ่มหลวงพ่อเนี่ยก็มีการเข้าใจเรื่องเนี้ยหลายคนแล้วมีการเข้าใจหลายคนทีนี้ถ้าพวกเราติดตามเดี๋ยวก็มันก็จะเข้าใจเองเรื่อยๆเรื่อยๆนะก็สามารถที่จะอืชัดเจนชัดเจนยิ่งขึ้นอืมทีนี้วันนี้เนี่ยหลวงพ่อว่าเดี๋ยวจะจะให้ทดสอบแบบไหนยังไงกันเนี่ยเดี๋ยวยังคิดๆดีกว่า เมื่อเช้าเมื่อเช้าเนี่ยหลวงพ่อก็พูดเองแล้วก็มามาทบทวนตัวเองอีกเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อพูดถึงเมื่อวานหลวงพ่อพูดถึงว่าให้ให้ดูให้ดูอาสมว่าของจริงเนี่ยทุกคนตอนเนี้ยถ้าอยู่ในคลับมันต้องมีมือถือใช่ไหมล่ะให้ตัวเราเนี่ยมองไปที่มือถือนะเนี่ยโยมทําเลยนะให้ตัวเราเนี่ยมองไปที่มือถือแล้วพอมองไปที่มือถือเนี่ย ถ้าสมมติหลวงพ่อจะพูดสวนทางกันนิดน้งบอกว่าเอ้า โ, อโยมมองมือถือนะแต่โยมอย่ารู้ตัวเองนะว่าตัวเองมองมือถือแล้วโยมลองทําดูมองไปที่มือถือแล้วก็อย่ารู้นะว่ามีเราเนี่ยมีเราเนี่ยมองกําลังมองมือถืออย่ารู้ปรากฏว่าทําไม่ได้เออนี่จากการที่พูดคุยกันแล้วปรากฏว่าทําไม่ได้พยายามที่จะไม่รู้ตัวพยายามที่จะไม่ให้รู้ตัวเรา ทำไม่ได้เราเออก็ถูกแล้วไนงะก็ทําไม่ได้ดิถ้ามันคราวจะรู้มันก็ต้องรู้แต่คราวไม่รู้ไม่ต้องทํามันไม่รู้เองคือมันไม่รู้ไปเลยเนี่ยถ้าหลวงพ่อไม่บอกมันก็ไม่รู้พอหลวงพ่อบอกอ่ะมันก็เกิดรู้ขึ้นมาว่าอ๋อมีตัวเราแล้วโทรศัพท์ก็มีเห็นไหมโทรศัพท์ก็มีตัวเราก็มีแล้วก็การที่รู้ตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่ารู้รู้ทีเดียวเลยรู้พลึบเลยแล้วก็ถ้าเข้าใจอย่างแจม่มแจ้งเนี่ย ไอ้ธรรมชาติที่รู้ตัวเราเนี่ยมันก็มันไม่ได้ยึดถือตัวเราคือมันทิ้งตัวเราไปตัวเราก็เนี่ยก็อยู่เป็นเป็นทํานู่นทํานี่เหมือนเดิมนนั่แหละแต่ตัวรู้เราอ่ะมันมันไม่ติดมันไม่ยึดแล้วจริงๆอะตัวรู้เราอ่ะมันเป็นธรรมชาติที่มีมานานแล้วแหละแต่เราไม่รู้จักมันนะ <did he>? และ้วก็ถ้าถ้ามองดีๆพิสูจน์ดีๆเนี่ยไอ้ตัวรู้เรามันไม่เคยยึดถือเราเลยเพราะมันเป็นธรรมชาติที่มัน มันเป็นธรรมชาติที่มันไม่ยึดมันไม่ติดมันไม่เป็นอะไรทั้งหมดมันได้แต่รู้ธรรมชาตินั้นเป็นธรรมชาติที่หลุดพ้นจากทุกนะหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงหลุดพ้นจากร่างกายจิตใจหลุดพ้นจากรูปธรรมนามธรรมนี่มันก็เป็นความหลุดพ้นหนทางเนี้ยถ้าถ้าเข้าใจแล้วแล้วก็ไม่ไม่ละเลยต่อการทําให้แจ้งเนี่ยนั่นแหละมันพ้นทุกในชาตินี้ได้เลย แต่ถ้าถ้าหนึ่งยังไม่เข้าใจสองจะทําให้แจ้งก็ทําให้เป็นอันนี้มันก็ก็ก็ก็ยังเป็นทุกข์อยู่แหละเออเพราะยังไม่เข้าถึงความหลุดพ้นแต่ถ้าทําเป็นเข้าถึงแล้วนี่แน่นอนหลุดพ้นแน่นอนอาโยมโฟมมาแล้วนี่เออเดี๋ยวเมื่อกี้หลวงพ่อกดเอเงินนะครับ พูดได้แล้วนี่นครับน้ำมัสการหลวงพ่อนะครับเข้ามาตอนไหนหลวงพ่อไม่ทันได้ดูโทรศัพท์เพราะว่าบางทีตั้งใจพูดเนาะคือเหมือนกับว่าตาเนี่ยจะต้องไม่ไปมองอย่างอื่นแล้วก็พูดด้วยเป็นสมาธิเนาะมันก็จะได้ทำให้สภาวะดีเดี๋ยวเข้ามานานแล้วยังตกหลอ๋อก็สักพักหนึ่งครับพอดีวันนี้พอดีมีเดินทางนิดนึงนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวช่วยตรงพ่อตรงไหน ก็ได้อยู่แล้วนี่ขับรถอยู่ใช่ไหมอ๋อครับแต่ว่าก็ใช้สปีกเกอร์ครับไม่ได้แบบอ๋อเอออก็หลวงพ่อก็พูดได้เรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้เริ่มชำนาญแล้วหลวงพ่อจะสลับสวิตอย่างไรให้คนขึ้นลงคนลงเนอะทำเป็นแล้วเออช่วยตัวเองได้เยอะแล้วโอแค่นี้แค่นี้ก็เป็นก็พวกเราก็ได้ฟังทำทุกวันก็ดีแล้วครับสมพ่อครับ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพ่อก็จะทําให้ทําแบบฝึกหัดนะพวกเราที่อยู่ในห้องเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้มีหลายคนอยู่เนาะเมื่อกี้ที่หลวงพ่อบอกว่าลองทําอ่าดูมือถือของตัวเองเนี่ยเนาะดูไปแล้วโยมดูที่ว่าพอดูมือถือแล้วเนี่ยมันก็จะรู้ว่าเออมีตัวเราอยู่คนหนึ่งเนาะเป็นผู้ผู้ดูมือถือตรงเนี้ยถ้า ทำแล้วก็พิจาณาบ่อยๆเนี่ยมันจะรู้เลยว่าไอ้ตัวเราเนี่ยก็จะเป็นสิ่งถูกรู้นะเพราะมันมีผู้รู้อะผู้รู้ที่ไม่ปรากฏตัวเนี่ยมันรู้เราเออมันรู้เราทีนี้ถ้าถ้าทำแบบนี้แล้วรู้สึกยังไม่เก็ตเอาลองทำใหม่ซ้ำของเก่านี่แหละเมื่อวานก็พูดไปแล้วยกมือสองข้างขึ้นมาเลยซ้ายขวาเนี่ยยกมือแล้วก็เราเนี่ยไปดูมือดูมือสองข้างเลยตัวเราเนี่ยไปดูมือสองข้างเลย ขณะเนี้ยพอดูมือสองข้างปับ๊บมันก็จะรู้ตัวเราเลยว่าเราเนี่ยเป็นผู้ดูทีนี้ถ้านับเนี่ยมันปรากฏว่ามันมีสามสิ่งเลยคือมือขวาหนึ่งสิ่งมือซ้ายหนึ่งสิ่งแล้วก็ตัวเราเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่รู้รู้ตัวเราได้เห็นหมมันมีอยู่ถ้าไม่มีตัวรู้ตัวเรามันจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นผู้ดูโทรศัพท์เนียเห็นไหมถ้ารู้เราเพราะนั้นนอาการที่จะพัฒนาจิตนะคือให้เกิด การรู้ตัวเราเนี่ยจะต้องเห็นตัวเราถ้าเห็นตัวเราไม่เป็นเนี่ยหรือว่าถ้ารู้ตัวเราไม่เป็นยากที่จะรู้ธรรมชาติที่รู้ตัวเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องฝึกรู้ตัวเราก็โดยใช้อุบายต่างๆเพราะว่าในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยมันก็มีนะพูดถึงว่าเช่นหมวดกายเนี่ยก็บอกว่าเมื่อกายเดินก็ให้รู้ว่าเราเดินนะเมือม่อเมื่อ มันใช้อย่างนี้ที่เขาแปลมาที่หลวงพ่อสวดมนต์ที่วัดป่าสุกาโตนะเขาบอกว่าเมื่อเดินก็ให้รู้ชัดว่าเราเดินเห็นไหมเมื่อเดินให้รู้ชัดว่าเราเดินหลวงพ่อก็จะชี้สภาวะก็คือเราเนี่ยที่เป็นผู้เดินใช่ไหมแล้วก็เรื่องนี้มันพูดถึงอยู่ในสติปฐานก็แปลว่ารู้เนี่ยคำว่ารู้ว่าเราเดินเนี่ยไอตัวรู้เนี่ยเขาเรียกว่าตัวสตินะ ตัวสติมารู้ว่าเราเดินเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาเดินเนี่ยตอนนี้เอาเรานั่งเนี่ยสมมติเรานั่งเนี่ยถ้าผู้ขาดสติก็จะไม่รู้เลยว่าเรานั่งอยู่แต่ถ้าผู้ที่มีสติในบางช่วงบางเวลาที่ระลึกขึ้นได้เนี่ยก็จะรู้เลยว่าเรานั่งอยู่เพราะฉะนั้นน่ะไอเราก็คือเราเนี่ยตามที่เรารู้จักกันอยู่แล้วก็คือกายหรือว่าที่มันรวมรวมกันเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเรา แล้วรู้เรารู้เราก็คือสติมารู้เราไม่ใช่เรารู้เราถ้าคนไหนยังเข้าใจว่าเรารู้เราเนี่ยแสดงว่ายังยังเข้ายังยังผิดอยู่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของสตินะเพราะนั้นที่ทดสอบเนาะที่บอกว่าเรารู้เราเนี่ยอันเนี้ยยังไม่ได้เข้าเรื่องของสติเลยแต่ถ้าเรื่องของสติจริงๆคือมันจะเป็นสติคือความระลึกได้ระลึกได้เองนะ ระลึกได้เองโดยไม่มีผู้เจตนาไม่มีผู้จงใจแล้วมันรู้ว่าเราเดินอยู่แต่เวลาปักปฏิบัติยมลองสังเกตนะมันไม่ใช่เป็นความระลึกรู้หรอกว่าเราเดินแต่มีตัวเราอีกตัวที่เป็นผู้ดูผู้เพ่งเพ่งว่าตัวเราเดินหรือว่าเพ่งว่าร่างกายมันเดินอันนี้ก็จริงๆยังไม่ใช่การเจริญสติที่ถูกต้องแต่มันก็ต้องทาอย่างนั้นแหละเพราะว่ายังไม่รู้นี่ เมื่อยังไม่รู้มันก็ต้องทำแบบแบบที่เข้าใจว่าอย่างนั้นนะแต่ความจริงอะ่ะมันยังไม่ถูกแต่ก็ต้องทำอย่างนั้นไปก่อนเพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่หลวงพ่อก็จะบอกว่าเอาสมมติว่าทำอย่างนั้นไปก่อนคือเอาตัวเราเป็นผู้รู้เนี่ยที่เป็นตัวผู้เพ่งผู้อะไรเนี่ยนะทีนี้โยมลองฝึกใหม่ก็ได้ลองฝึกตามแบบเดิมโยมโยมนั่งก็ได้ตอนนี้ถ้านั่งเนาะนั่งอยู่แล้วก็ให้รู้ว่าเรานั่งเนี่ย เห็นไหมมันจะมีตัวเราเนี่ยจะมีการกําหนดมีการกําหนดก็คือมีการเหมือนกับเจตนาอนะเจตนาที่จะรู้ว่าเรานั่งทีนี้หลวงพ่อก็จะชี้ว่าถ้ามีสติสติก็จะระลึกได้ว่าตัวเราเนี่ยมีการเจตนาที่จะทําอย่างนั้นไอตัวที่ระลึกได้ว่าเราเนี่ยเจตนาไอตัวนั้นแหละเป็นตัวสติตัวจริงแต่ถ้าเราเจตนาที่จะรู้ตัวเรา แต่ไม่รู้ตัวว่ามีการเจตนาอันนี้ก็เท่ากับว่ายังไม่ใช่อยู่ยังไม่เข้าข่ายเรื่องของการฝึกสติที่ถูกต้องอทีนี้โยมลองสังเกตสิโยมลองสังเกตก็ตอนนี้เอารู้ว่าเรานั่งนะแล้วก็มันจะมีหลวงพ่อยกตัวอย่างใหม่สมมติตอนนี้โยมกำลังคุยหลวงพ่อเพลินๆนะไม่ได้สนใจเรื่องจะรู้ตัวเรานะโยมคุยนั่งไปเรื่อยๆแต่พอหลวงพ่อบอกว่าเอาโยมทุกคนฝึกสติให้รู้ตัวเรา ถ้าตัวเรานั่งอยู่ก็ให้รู้ว่าตัวเรานั่งยมนึกออกไหมพอพูดอย่างนี้ปับ๊บมันจะมีการเจตนามีการขยับมีการจัดอะไรก็ไม่รู้ยุกยิบยุ ก, ย, กยิกไปหมดนะทีนี้ถ้าโยมสังเกตก็จะรู้ว่ามีอีกสิ่งหนึ่งจะรู้เลยว่าตัวโยมยกำลังยุกยิกกำลังจัดกำลังปรับแต่งอะไรไม่รู้ไอ้ตัวนั้นแหละเป็นสติตัวจริงที่มารู้ตัวเราที่กาลังยุกยิบยุกยิบ ก, ก, กลังปรับแต่งอะโยมนึกออกไหม แต่ทีนี้ต่อไปก็โยมก็ยังปรับแต่งเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ขณะที่ปรับแต่งเนี่ยไอ้ตัวรู้มันก็จะรู้เราเป็นแล้วเพราะมันมีประสบการณ์จากการชี้บอกของของของคนอื่นชี้บอกของครูบาอาจารย์อะไรก็แล้วแต่ต่อมามันก็จะรู้เราว่า อ, อ๋อเราเนี่ยมีการขยับมีการเจตนาเอาลองทำใหม่ดิเอาลองทำใหม่นะจงกันตอนเนี้ยเอาโยมฝึกสติให้รู้ตัวเองถ้าตัวเองนั่งอยู่ก็ให้รู้ว่าตัวเองนั่งอา่าแล้วก็ หรือไม่ก็ถ้านั่งแล้วให้ยืนขึ้นแล้วก็ผุกสติให้รู้ว่าตอนนี้เรายืนขึ้นแล้วเนี่ยตอนนี้มันถ้ามันมันเป็นแล้วรู้ตัวเป็นมันก็จะรู้เลยว่าเราเนี่ยมีเจตนาที่จะยืนเรามีเจตนาที่จะรู้คือมันมารู้เราตัวตัวเจตนาถ้าโยมจับทางได้อย่างนี้ต่อไปมันจะเข้าใจขึ้นแล้วว่าโอไอตัวสติตัวจริงเนี่ยคือไอตัวที่มันรู้เราว่าเราเนี่ยกำลังทำอะไร เช่นเรากำลังเจตนาที่จะทําอะไรบางอย่างมันก็รู้เรานะแต่ถ้าไม่มีสติ ท, ที่แท้จริงตัวจริงมันก็จะมีเราเป็นผู้จะรู้เราเถึงตรงนี้ไม่รู้ว่ามีใครจะพูดกับหลวงพ่อไหมว่าที่หลวงพ่อพูดแบบนี้มีความเข้าใจเพิ่มมีความเข้าใจแตกต่างไปจากความเข้าใจเมื่อก่อนที่เคยมามีมาก่อนเนี้ยเหมือนกับว่าฟังแล้วเฮ้ยมันได้ความรู้ใหม่เนาะแล้วก็เห็นจริงเห็นจังด้วยว่า อ๋อพอทำอย่างนี้มันมีไอสติตัวจริงมันระลึกได้ว่าเรากำลังทำอะไร